ปัจฉาชาตะปัจจัย41สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก Recogn ่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้และกระทบได้โดยปัจฉาชาตปัจจัยพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระอย่างนี้สงเคราะห์รูปสามอย่างห้ b, าเจวณะปัจจัยสี่สิบสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจ ouais. ัยแก่สภาวะธรรมที่เห ic ็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาเสวณัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณัปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณัปัจจัย กรรมปัจจัยสีสบสาสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขัน์และจิตตะสมุทนานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยกรรมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เ จ, จนเนตนาที่เห็นไม่ได้และลกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากและกระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยกรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่ เจตนาที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยกรรมปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กระตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยกรรมปัจจัยพึงจำแนกสหชาตะและนานาคเนกะเป็นเจ็ดวาระอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ สงเคราะห์รูปสามอย่างวิปากับปัจจัย4ีสสสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สและจิตตสมุทนานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปากับปัจจัยขันธ์สองในปฏิสนธิคณะ ขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแข่ขันสามและกระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปากระปัจจัยขันเป็นปัจจัยแข่หาทายวัตุโดยวิปากระปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปากระปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแข่จิตตสมุทนานรูป ที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปากรปัจใจในปฏิสนธิที่ขณะขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแกรขตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปากับปัจจัยพึงขยายให้พิสดารเป็นเจดวาระอย่างนี้พึงขยายประวัติการและปฏิสนธิการอาหาระปั จ, จัจ45สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารรับปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกระตาตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารรับปัจจัย เรลิงกราหานเป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอาหารรับปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารรับปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่ขจตารูกที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารรัปัจจัยเกลืงกราหารเป็นปัจจัยแก่คลายนี้ที่เห็นได้และกระทบได้โดยอาหารรปัจจัยพึงจำแนกวัติิการและปฏิสนธิการเป็นเจ็ดวาระอย่างนี้แม้วาระทั้งเจ็ดพึงเพิ่มเกลิงกราหารด้วยอินทรีย์ปัจจัยส6สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เป็นปัจจัยแค่สมาชภาพธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่จากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากหุวิญญาณกายินรียเป็นปัจจัยแก่กายยะวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ได c, เป็น ป, จ şey c, ปันปจจัยแคลสัมพุทธตะขัน และจิตตาสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและกระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยรูปปัจจิวตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานะรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทริยปัจจัยรูปปัจจิวิตรีย์เป็นปัจจัยแก่ขตตารูป ที่เห็นได้และกระทบได้โดยอินทรีย์ปัจจัยพึงจำแนกววัติการและปฏิสนธิการเป็นเจ็วาระอย่างนี้ส่วนรูปปัจจิวตินทรีย์พึงเพิ่มในตอนท้า ย, าย47สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่จากขุนสีและจากขุวิญ ญ, ญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันที่จะหอรคตด้วยจากรวิญญาณโดยอินทริย์ป er ัจจัยกายยินส er ีหรือกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่จะหอรักด้วยกายวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยชานะปัจจัยเป็นต้น48สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป <úp S 2> ็นปัจจ <Maybe S 2> <tattoo> ัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรคาปัจจัย เป็น ป, ปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันสโดยสัมปยุตตปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะวิปยุตตปัจจัย49สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปย <Cool. S 2> <โ chest>ุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวเพื่อบุเรชาตะได้แก่ จ, จ, จัจากญญ า, ายะาชยนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายะชนะเป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณโดยวิบยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิบยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตะโอเรชาตะและปัจชาชาตะสหาชาตะได้แก่คันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตะปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทยวัตุโดยวิปยุตตปัจจัยหาทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิปยุตตะปัจจัยปูเรชาตะได้แก่ พาทายวัตุเป็นปัจจัยแขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่แคลนที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างเครือชาชาตะ และปัจฉาชาตะสหชาตาได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิพยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันท์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยวิพยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตาได้แก่ขันท์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่คลายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้และกระทบได้โดยวิปยุตตปัจจัยพื้นขยายวาระทั้งห้าที่เหลือให้พิสดารอย่างนี้พื้นขยายสหชาตะและปัจฉาชาตะให้พิสดารอธิปัจจัยห้สสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปอเรชาตะ บุคคลเห็นแจ้งรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิประจักขุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณโดยอธิปัจจัยห้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสอง โดยอธิปั จ, จยัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปั จ, จยัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกระตัดตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปั จ, จัยโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขายตนะราษายตนะโดยอธิปั จ, จัยที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปัจจัยสำหรับเหล่าอสัาย์ยศตะพรม มหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแห่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนิสยปัจจัยในปฏิจจวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่มหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยพึงกระยาให้พิจารณาจนถึงอสัญญาัตรพรม ปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายเสียงโพธพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนาจึงเกิดขึ้นจากขายตนะเป็นปจจัจจัยแก่จักรวิญญาณโพธภายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจใจพึนขยายสี่วาระที่เหลือให้พิดารณเหมือนกับสหชาตะปัจใจในปฏิจจวาระไม่มีแตกต่างกัน สองสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีหอย่างคือสหชาต ะ, าตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัย ขันสองในปฏิสนธิขณะอาโปธาต์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปแล ะ, ะตขตารูปที่เป็นโอปาไทยรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาโปธาต์เป็นปัจจัยแก่อิทินสีเกลิงอนกราหานโดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมอาโปธาต์เป็นปัจจัยแก่ข ต, ตารูป ที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งหาทายวัตถุเอถินรีปุริสินรีชีวิตินรีออาโปธาเกาลิงกะราหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนาจึงเกิดขึ้นหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ คลานที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กลนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยเกาเลียงกราหานเป็นปัจจัยแก่กลนี้ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปปัจจิณรียเป็นปัจจัยแฉ ก, กตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยพึงจำแนกขกว า, าระที่เหลืออย่างนี้พึงเพิ่มสหชาตะ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 สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปัจจัยได้แก่คันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแห่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะย่อสำหรับเหล่าอสัญญาัตธ์พรมพึงจัดไว้ด้วย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 ขันธ์ที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมถานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้พึงเพิ่มจนถึงอสัญญสัตวพรมปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะและหาทายวัตุโพธภายตนะและหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยพึงจำแนกสี่วาระที่เหลือห้าสิบห้า สภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปเรชาตะได้แก่รูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักผูวิญญาณโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะจักขายตนะและจักขวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรู้โคด้วยจักขวิญญาณโดยอธิปัจจัยนาถิปัจจัยและวิคตาปัจจัยเหมือนกับอนันตระปัจจัยอวิคตะปัจจัยเหมือนกับอัติปัจจัย 1>, 1. ปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทธไนห้าสหเฮตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีสาวาระอธิปฏิปัจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมณันตระปั จ, จัยมีหนึ่งวาระสหาชาติปัจจัยมี2สดวาระอัญญมัญญปัจัยมีหวาระนิสยาปัจจัยมี2สบดวาระ อุปนินียปัจจัยมีสามวาระปูเรชาตะปัจจัยมีหกวาระปัชชาตะปัจจัยมีเจดวาระอสิวะนปัจัยมีหนึ่งวาระกรมปัจัจมีเจดวาระวิปากปัจัยมีเจดวาระอาหารปัจจัยมีเจวาระอินทรียปัจจัยมีข้าวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมขะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีแปดวาระอธิปัจใจมียี่สิห้าวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจใจมียี่สิบห้าวาระเฮ hey, ตุสภาขา้างย ห้าสิบเจดอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมำยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีเจดวาระ อธิปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดว า, aquela, าระเหตุสามัญญคฆตนาห้าสิปดปัจจัยห้าคือเหตุสหชาตะนิจยะอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยหกคือเหตุสหชาตะอััญญญมานิจยะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจ็ดคือเหตุสหชาตะ อัญญะมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจหกคือเหตุสหชาตะนิจยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีเจ็ดวาระอวิปากะสีปัจใจหกคือเหตุสหชาตะนิสยะวิปากะอัตติและอวิคตะมีเจ็ดวาระ ปัจจ an ัยเจ็ดคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจดคือเหตุสหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระ ปัจจัยแปดคือเหตุสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าพึงนับวาระที่จะต้องนับทั้งหมดอย่างนี้อนุโลมจบสองปัญญายุทธะห้าสิบเก้าสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยสะชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้โดยสะชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้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 สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาว ay, าะธร ay, ะรม ท, ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยมหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยสหชาตปัจจัย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 โดยสหชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกัรมะปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยหกสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้มีอย่างเดียวคือปุเรชาตะสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้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 ส ป, ญญปัจจยปัจจเนยะสสังคยาวาระสุทไนัย63นเหตุปัจจัยมี25วาระนอารามณปัจจัยมี22วาระนอธิปติปัจจัยมี25วาระนอนันตระปัจจัยมี25วาระนสมนันตรปัจจัยมี25วาระนสหาชาตปัจจัยมีสิสองวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยมี24วาระณนิสยปัจจัยมี9้าวาระณอุปาณิสยปัจจัยมี25้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมี22วาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมี25้าวาระณอาศัยวะณปัจจัยมี25้าวาระนกรรมะปัจจัยมี25้าวาระณวิปากะปัจจัยมี24วาระณอาหารปัจจัยมี25้าวาระ ณอินทริยปัจจัยมี23วาระณชาณปัจจัยมี25วาระนมัคคะปัจจัยมี25วาระณสัมปยุตตะปัจจัยมี24วาระณวิปยุตตะปัจจัยมี22วาระโนอัติปัจจัยมี9วาระโนนัติปัจจัยมี25วาระโนวิคตะปัจจัยมี25วาระโนอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ นาเหตุทุกปณิยนาอารมณปัจจัย <expedition> ก<ข>ับ <spreadsheet> นาเหตุปัจใจมียี่สิบสองวาระเหมือนกับข้อความตอนต้นโนอวิคตปัจจัยละถึงมีเก้าวาระนาเหตุติกรไนนาอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจใจมียี่สิบสองวาระนาอนันตระปัจจัยละถึงมียี่สิบสองวาระนาสมนันตระปัจใจมียี่สิบสองวาระ นสหชาตปัจจัยมี9้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมี22วาระนนิสยปัจจัยมี9้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมี21วาระนาปเรชาตปัจจัยมี22วาระนาปชาชาตปัจจัยมี22วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี22วาระนวิปยุตตปัจจัยมี22วาระโนอัติปัจจัยมี9้าวาระ โนนัธิปัจจมียี่สิบสองวาระโนวิคตาปัจจมียี่สิบสองวาระโนอวิคตาปัจจัยมี9ก้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบสปัจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกขไนหกสิบสี่นอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระนออธิปติปัจจัยละถึงมีเจดวาระ ณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระณอุปาินสิยปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระณสัมบยุตตปัจจัยมีเจดวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีเจดวาระ โนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระเหตุสามัญญาคัตนา65ณอห้าอารัมะณะปัจจัยกับปัจจัย5คือเหตุสหาชาตะนิฉยะอถิและวิคตะมีเจดวาระณอันันตระปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระณสมานันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีเจดวาระ แม้ในข้อความนี้ก็ย่อไว้ณสัมัยุตตปัจจัยกับมีเจดวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณอารมณปัจจัยกับปัจจัย6คือเหตุสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ โนวิคตปัจจัยกลับละถึงมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญจิยะจบสปัจญจิยะปัจญจิยานุโลมนเหตุทุกข์ภยในหกสิบหกอ ร, รมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระ สหชาติปัจจัยมี21วาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมียีอดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีเจดวาระอเศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีเจดวาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระ อินทริยปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกำเนเหตุถูกปัจจัยมีแปดวาระอธิปัจจัยละถึงมียี่สิห้าวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมียี่สิบห้าวาระพึงนับอย่างนี้ ปัจจ尼ญาณุโลมจบปัญหาวาระจบสนิทัสนะสัปติพตะกะจบธัมมานุโลมมตกะปฐฐานสุดท้ายจบ